เสียงงานหนังสือวินัยมุกเล่มหนึ่งวินัยมุกแปลว่าหัวข้อสําคัญแห่งพระวินัยหลักการใหญ่ๆแห่งพระวินัยหรือแนวทางแห่งพระวินัยหนังสือวินัยมุกว่าด้วยเรื่องแนวทางแห่งการศึกษาและปฏิบัติพระวินัยให้สําเร็จประโยชน์คือให้ตรงกับจุดมุ่งหมายที่แท้จริงไม่สุดตรงด้วยความสําคัญผิดทั้งฝ่ายเคร่งครัดหรือหย่อนเกินไปเป็นหลักใหญ่ๆ เป็นหัวข้อสำคัญสำคัญที่เป็นเบื้องต้นแห่งพระวินยัยหรือเป็นแนวทางเป็นปากทางนำเข้าสู่พระวินยัยมีทั้งหมดสามเล่มในที่นี้คือเล่มหนึ่งว่าด้ยวยเรื่องสิกขาบทหรือสินยี่สข้อของพระภิกษุอันเป็นแบบเรียนในหลักสูตรนักธรรมตรีสำหรับศึกษาวิชาวินยัยชาวพุทธจานวนมากมักเข้าใจผิดว่าเรื่องพวกนี้ชาวบ้านไม่จาเป็นต้องรู้ หรือละเลยการศึกษาเรื่องวินัยของพระทั้งที่เป็นสิ่งจําเป็นมากที่ต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องตรงทางเพื่อร่วมกัน ร, รักษาพระศาสนาไว้ได้จริงต่อไปในที่นี้ท่านแจกแจงอธิบายความหมายที่สําคัญไว้เปรียบเหมือนการสรุปพระไตรปิฎกส่วนพระวินยัยที่เป็นสาระสําคัญเบื้องต้นที่จําเป็นต้องรู้ก่อนเป็นหนังสือที่หลวงปู่มั่นเน้นให้สิทธิ์ได้ศึกษาและท่องจําให้ได้เพราะเป็นด่านแรก แห่งความบริสุทธิ์แห่งสงฆ์ที่ส่งผลต่อความเจริญในธรรมต่อไปถ้าศีลวิบัติธรรมะยอมวิบัติการไร้ศีลผิดวินยัยการเคร่งเกินพอดีหรือถือโดยไม่เข้าใจจุดประสงค์แห่งการบัญญัติของพระศาสดาก็คงยากที่จะเป็นพระดีหรือรู้แจ้งธรรมได้และจะรักษาพระศาสนาเผยแผ่ธรรมได้ถูกต้องต่อไปอย่างไร สำหรับคารวาตถ้ารู้พื้นฐานแห่งวินัยที่สำคัญเมื่อไปบวชก็จะเป็นพระที่ดีได้ง่ายคือไม่เผลอทำผิดที่บางอย่างแก้ไขไม่ได้แล้วขวางการบรรลุธรรมหรือเจริญในธรรมได้ยากเกิดชาติหน้าก็ยังมีวิบากไม่ดีติดตัวตามไปทวงความเจริญได้ทั้งทางโลกและทางธรรมแต่ถ้าไม่ได้บวชก็จะได้รู้จริงรู้ตรงอันเป็นหลักตัดสินการจะนับถือบูชาพระหรือวัดได้ถูกต้อง ไม่เผอไปเสริมกำลังให้โจรในผ้าเหลืองได้เจริญรุ่งเรืองจนทำลายศาสนาได้ราวลึกอย่างในปัจจุบันซึ่งอาจจัดเป็นตัวการร่วมในการทำลายพระศาสนาอันเป็นบาปร้ายแรงเช่นกันเนื้อหาบางส่วนจะเป็นเชิงวิชาการที่ผู้เริ่มศึกษาธรรมอาจเข้าใจยากสักหน่อยก็ขอให้ฟัง ผ, ผ่านเพื่อประดับความรู้และเน้นเข้าใจภาพรวมแห่งข้อปฏิบัติอันเป็นหลักสาคัญเท่านั้นก็พอ ส่วนใครจะมีความเพียรฟังซ้ําหรือศึกษาเพิ่มเติมจนเข้าใจแจ่มแจ้งได้ก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับและขอฝากไว้อีกเรื่องว่าวินยัยหลายข้อนั้นมีข้อยกเว้นแตกต่างกันไปที่อาจต้องตีความหรือไม่อาจกล่าวถึงได้ทั้งหมดโดยเฉพาะที่ต้องตัดสินตามเจตนาหรือบางอย่างก็ต้องพิจารณาตามสิ่งแวดล้อมและยุคสมัยที่เปลี่ยนไปที่เป็นเรื่องเล็กน้อย หรือบางทีเป็นข้อห้ามตามประเพณีนิยมหรือสิ่งของที่มีในยุคนั้นยังไม่นับกับถ้าท่านสําเร็จเป็นอรหันต์แล้วจะอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์หลายอย่างเพราะทําอะไรสักแต่ว่าเป็นกิริยาไม่เป็นกรรมจึงต้องระวังไว้ด้วยจะกลายเป็นปรามาสผู้ทรงธรรมไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งเป็นบาปใหญ่ร้ายแรงส่งผลเสียให้เราหลายชาตินะครับแต่ทั้งนี้ผู้ยังไม่บรรลุธรรม ที่ปรารถนาพ้นทุกข์ก็ควรพึงเคร่งรัดไว้ก่อนแค่เพียงสงสัยว่าจะผิดหรือไม่การเลี่ยงไม่ทำจะดีที่สุดไม่ควรหาข้ออ้างเพื่อทำผิดแบบจงใจและวินิจฉัยเข้าข้างกิเลสตัวเองสำหรับพระปุถุชนที่ยังไม่บรรลุธรรมหรือยังไม่ปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมได้ดีพอมีโอกาสพลาดที่จะตีความพระธรรมวินัยผิดและส่งผลเสียหายให้กับตัวเอง และพระศาสนาได้อย่างมากคล้ายกับที่บางสำนักห้ามการสร้างการกราบไหว้พระพุทธรูปพระผู้รู้ท่านก็จำแนกแจกแจงอ้างพุทธพจน์อีกหลายแห่งว่าทำได้และควรทำอย่างไรจะส่งเสริมสร้างกุศลจิตเป็นพุทธานุสติได้อย่างไรคำที่ว่าไปกราบหินกราบดินทําไมก็ต้องถามว่าถ้าพ่อแม่ปู่ย่าเราตายถ้าเราเอารูปท่านมาใส่กรอบตั้งบูชา มันผิดหรือไม่ถ้ามีคนมาบอกเราว่าไปกราบกระดาษทำไมไปกราบกรอบไม้ทาไมเราจะรู้สึกเช่นไรและคนที่พูดนั้นถือว่าฉลาจริงหรือไม่คนปกติทั่วไปก็เห็นตรงกันนะครับว่าการทำมนุสาวรียเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นสิ่งที่ดีแล้วทำไมการสร้างพระกราพร ะ, ระจึงกลายเป็นสิ่งไม่ดีไปได้ทั้งที่เป็นสิ่งให้เกิดกุศล เกิดบุญทุกครั้งที่ได้พบเห็นหลายเรื่องเป็นสิ่งพื้นฐานง่ายๆที่ชวนให้ไม่แน่ใจว่าขนาดทาพื้นๆเรื่องง่ายๆท่านยังแนะนำสั่งสอนผิดกันไปขนาดนี้แล้วทำมาที่ลึกซึ้งกว่านี้ที่ต้องปฏิบัติจนเห็นสภาวะธรรมกันจริงท่านจะสอนกันถูกต้องได้จริงแค่ไหนเรื่องการสร้างพระกราพระเนี่ยพูดกันแค่เพียงการเปรียบเทียบและเหตุผลทางโลกแบบง่ายๆ เชื่อว่าคนปกติก็น่าจะเข้าใจได้ไม่ยากแต่ถ้าผู้ปฏิบัติจนได้อำนาจจิตที่เหนือธรรมดาจะยิ่งรู้ชัดถึงพลังแห่งบุญกุศลในการสร้างพระกราพระแบบไม่ต้องสงสัยเลยทีเดียวหลายเรื่องก็ทำให้เห็นนะครับว่าผู้ที่เข้าใจว่ตตนแตกฉานในธรรมนั้นอาจเป็นเพียงการท่องจำตัวอักษรได้เท่านั้นและใช้วิธีพิจารณาตามความคาดเดาโยงเนื้อหาหลายส่วนเข้ากัน เพื่อสนับสนุนทิฏฐิของตนโดยไม่เคยรู้ธรรมเห็นธรรมของแท้ที่เกิดจดผลของการปฏิบัติกันจริงก็เปรียบเหมือนคนตาบอดที่มานั่งอธิบายว่าสีแดงสีขาวเป็นอย่างไรแน่นอนว่าการอธิบายได้ตรงจึงเป็นไปได้ยากและมีโอกาสพาคนลงผิดได้ง่ายมากศา ส, สนาพุทธเป็นวิพัชวาธา คือการมองและแสดงความจริงโดยแยกแยกออกให้เห็นแต่ละแง่แต่ละมุมแต่ละด้านแต่ละประเด็นครบทุกแง่ทุกมุมทุกด้านทุกประเด็นไม่ใช่จับเอาประเด็นใดประเด็นหนึ่งมาคิดวิเคราะห์และสรุปครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดดังนั้นเรื่องการสร้างพระกราพระนั้นก็ควรแยกแยะสั่งสอนเช่นกันตัวอย่างเช่นถ้าสร้างพระหรือกราบไหว้พระ เพื่อขอพรขอหวยงมงายไม่วังพึ่งตนเองเป็นเป็นหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเขียวแต่ไม่เคยระลึกว่านี่คือสั ญ, ญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าไม่ได้กราบไหว้เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณไม่ได้กราบคุณความดีของพระองค์แบบนี้ตัางหากที่ไม่ควรทาเพราะยิ่งกราบยิ่งโลภยิ่งอ่อนแอยิ่งเกิดผลเสียยิ่งมีโทษกับตัวเองกิริยาที่อ่อนน้อม ในการกราบระลึกถึงบุญคุณหรือความดีของผู้อื่นเช่นพ่อแม่หรือพระศาสดาถือเป็นข้อสำคัญในมงคลละสูตรที่นำความสุขความเจริญมาให้ได้จริงเข้าอยู่ในข้อที่ว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาและคนเรากำลังจิตต่างกันคนที่เข้าถึงธรรมะระดับลึกจะระลึกถึงพระคุณได้ง่ายโดยไม่ต้องมีวัตถุปเป็นสื่อแต่คนอีกมากยิงไปไม่ถึงขั้นนั้น จำเป็นต้องพึ่งวัตถุที่จับต้องได้เป็นบันไดเป็นราวเกาะเป็นการกระตุ้นเตือนเพื่อให้ระลึกถึงและจับใจได้ง่ายขึ้นนะครับและทุกการกราบไหวอันทำด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนั้นจิตจะเป็นกุศลมีผลต่อการหลั่งฮอร์โมนและการทำงานของร่างกายหลายอย่างตามมาด้วยแม้จะพระเครื่องที่พกติดตัวก็เป็นสิ่งไวระลึกไวเตือนตน ให้อยู่ในศีลนิธรรมได้เช่นกันถ้ามีแล้วพกแล้ววางจิตไว้ถูกทางและถ้าจะพูดตามหลักวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยก็มีการนำน้ำที่พระเทราใสายกรรมฐานที่ท่านเจริญพระพุทธมนต์มาตรวจสอบในเชิงลึกก็พบว่ามีคุณสมบัติบางอย่างแตกต่างกับน้ำปกติทั่วไปอย่างชัดเจนและคงสภาพไว้ได้นานหลายปีด้วยซึ่งตรงกับงานทดลองของญี่ปุ่น ที่เทียบระหว่างการสวดมนต์และการด่าให้น้ำฟังผลก็ออกมาตรงกันข้ามอย่างชัดเจนนั่นแสดงให้เห็นว่าพลังจิตมีจริงและส่งต่อไปปรับสภาพของวัตถุหรือเป็นพลังงานที่ถ่ายทอดสู่วัตถุได้จริงแต่โดยมากไปเข้าใจพลังงานชนิดนี้ว่าเป็นพุทธคุณและขาดความเข้าใจว่าพลังงานพวกนี้ก็เหมือนน้ำมัน จะเกิดผลดีต้องใช้กับเครื่องยนต์ชนิดเดียวกันด้วยพลังงานดีไปอยู่กับคนชั่วก็เหมือนคนเติมน้ำมันเบนซินในเครื่องยนต์ดีเซลอันนี้เป็นแค่เปรียบเทียบให้เห็นชัดนะครับเพื่อให้ตระนักว่ามีของดีแค่ไหนถ้าไม่ทำดีก็ไม่อาจให้ชีวิตไปสู่ทางที่ดีและมีความสุขจริงได้เพราะในความจริงแม้คนชั่ว เมื่อได้รับเด้กใกล้กับพลังจิต ท, ที่เป็นกุศลจิตจะเย็นลงและน้อมไปทางกุศลได้ง่ายขึ้นพิสูจน์ได้กับชีวิตจริงว่าบางสถานที่หรือการอยู่ใกล้บางคนจิตสงบเร็วมากแต่บางที่หรือบางคนอยู่ใกล้แล้วจิตหดหูง่ายทุกข์ง่ายทุกข์ขึ้นมาแบบไม่มีสาเหตุมีเป็นเรื่องของพลังงานทางจิต ท, ที่แผ่ออกมาและสะสมในวัตถุได้ หากปฏิบัติธรรมถึงจุดจริงจะมองเห็นสัมผัสได้ชัดเจนจนไม่มีทางพูดเลยว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีจริงและไม่มีผลกับมนุษย์ทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ไปทางไหนผู้เผยแพ่ศึกษาธรรมก็ต้องเข้าใจและอธิบายรอบด้านจึงจะเกิดประโยชน์ได้จริงนะครับการนาธรรมะขั้นสูงขั้นปรมัตไปแนะนากับคนเพิ่งมาใหม่นั้น อาจส่งผลเสียมากกว่าผลดีคล้ายกับการสอนวิชาเคมีให้กับเด็กอนุบาลหรือการให้เด็กเล็กออกกำลังกายเทียบเท่ากับนักกีฬาทีมชาตินะครับสำหรับเรื่องพระวินยัยขอฝากข้อคิอคดไว้อีกนิดนะครับว่าถ้าสงสัยว่าพระผิดวินัยทำไม่ดีให้ตรวจสอบให้ดีรอความจริงให้กระจ่างก่อนสิ่งที่ควรทาคือวางอุเบกขา อย่าดวนปรามาตตำหนิด่าทอท่านแม้ในใจให้คิดไว้เสมอว่าต่อให้คนทาชั่วทาผิดจริงเราก็ไม่จำเป็นต้องด่าเขาให้ใจเราเป็นอกุศลสะสมบาปไปด้วยเขาเองยังไงก็ต้องรับกรรมของเขาเราด่าไม่ด่าโกรธไม่โกรธเขาก็รับโทษเท่าเดิมเราจะสร้างบาปกรรมเพิ่มให้ตัวเองด้วยความผิดของเขาทาไมชีวิตหลายคนทุกสาหัสอยู่แล้ว ก็ขยันหาทุกเพิ่มให้ตัวเองด้วยการเพียนดาเพียนตาหนิผู้คนที่มีให้ดาได้ทุกวันเพราะคนกิเลสหนาย่อมมากกว่าคนบรรลุ ธ, ธรรมเป็นธรรมดาและข่าวก็จะนำเสนอแต่ความเลวความผิดของคนมากกว่านาเสนอคนทาดีเป็นเรื่องธรรมดาเช่นกันนะครับยิ่งเผลอดาพระดีหรือคนดีเวลากมให้ผลกว่าจะรู้ตัวก็แทบงูหัวไม่ขึ้น เพราะไม่ว่าเราจะทำดีแค่ไหนคนก็พร้อมจะมองไม่ดีไม่เห็นคุณค่าของเราสักทีเช่นกันถ้าเพียรทำบุญจเจริญสติถึงจุดหนึ่งจะเกิดนิดมิตหรือระลึกขึ้นมาได้ชัดเลยนะครับว่า <c oughs> สิ่งที่เรากำลังเจอเพราะกรรมอะไรที่บางทีแม้ดูไม่ผิดอะไรมากแต่กลับให้ผลยาวนานจนชวนให้ท้อกับการทําดีไปเลยเพื่อความไม่ประมาท ขอเชิญทุกท่านใส่ใจร่วมศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจให้ได้มากที่สุดในชาตินี้เพราะจะมีผลดีถึงชาติต่อไปให้โอกาสในการทำผิดบาปโดยไม่ตั้งใจลดน้อยลงได้อีกมากเลยนะครับวินัยมุกเล่มหนึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชัชรยานนวรโรดอ่านโดยอริยคุณจุมรพลดี ร่วมจัดทำโดยเจ้าภาพหลักไพศาลเตชาวลีกุลทัชชวดีพระมารานนสุดาพรตงสิริร่วมกับชูวิทย์สีโพขาครอบครัวกหาสุวรรณครอบครัวสิริวัตรครอบครัวพัฒนาอุดมพันธ์นิจชามาโสภาพระมรสีเพชรกลมพิรพัฒนอุตรสุริติกุลนภัทรมนแซ่พานรัชนีจันจรัตวัฒนาพัฒราชญาธนากิจวณิชรัตนนนพุ่มพว ง, งร่วมกับอีกหลายท่าน